ตอนที่หนึหลีวานเป็นคนตรวจให้หลิวเคอเคอร์อึ้งไปครู่ใหญ่กว่าจะตระหนักได้ว่าสิ่งที่ชายหนุ่มพูดคือเรื่องจริงเขาไม่ได้ล้อเล่นแน่นอนว่าไม่มีพ่อคนไหนจะเอาสุขภาพของลูกชายตัวเองมาล้อเล่นลิวเคอเคอร์อพึพรรมพำออกมาผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะหายดีใช่ไหมดังนั้นปัญหาหลักในตอนนี้คือไม่มีเงินไม่รู้เหมือนกันหมอบอกแค่ว่าอาการค่อนข้างหนักถ้าไม่ผ่าตัดก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนโจเจียนเย่ยเอ่อยด้วยน้ำเสียงหนักอึ้อง เคเคอในเมื่อเด็กคนนี้เกิดมาแล้วเราก็ต้องหาทางให้เขามีชีวิตรอดจะทอดทิ้งเขาตอนนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องลองดูเผื่อว่าผ่าตัดแล้วเขาจะรอดละ่ะหลิวเคเคอร์อรู้สึกสิ้นหวังขึ้นมาทันทีนางนึกไม่ถึงว่าลูกชายที่ยอมเสี่ยงตายคลอดออกมาจะมีโรคประจําตัวประเด็นสําคัญคือโรคนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะรักษาหายหรือไม่น้ําตาของนางไหลพรากไม่หยุด ที่บ้านฉันเป็นยังไงคุณก็รู้แม่ฉันตัดขาดกับฉันไปแล้วท่านจะยอมเอาเงินมาให้หลานนอกรักษาโรคได้ยังไงเดิมทีท่านก็ไม่อยากให้ฉันคลอดเด็กคนนี้ออกมาอยู่แล้วนี่หลานนอกแท้ๆกำลังจะตายท่านยังไม่ยอมช่วยอีกเหรออีกอย่างเงินนี้เราจะคืนที่ทีหลังไม่ใช่ว่าจะไม่คืนเสียหน่อยโจวเจี้ยนย่ยังคงพยายามเกลียกล่อมเพื่อที่จะคลอดเด็กคนนี้พ่อแม่ฉันถึงกับขายบ้านขายที่ดินที่บ้านเกิดพวกท่านอายุมากขนาดนี้แล้วยังต้องออกไปทำงานหาเงินเงินทั้งหมดก็กำอยู่ในมือคุณแต่มันก็ยังไม่พอ ฉันรู้น้ำเสียงของหลิวเคอร์เคอร์แห่พร่าคุณให้ฉันคิดดูก่อนตอนนี้สมองฉันสับสนไปหมดฉันให้เวลาคุณค่อยๆ ค, คิดได้แต่เด็กคนนี้รอไม่ได้เราต้องรีบผ่าตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันฟังจากหมอยิ่งผ่าตัดเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอืมๆึได้หลิวเคอเคอร์อยกมือขึ้นเช็ดหางตาพลนึกอะไรบางอย่างได้จึงเสนอว่าลีชิงพิงไม่ได้อยู่ห้องข้างๆหรอหนังต้องมีเงินแน่ๆลองไปขอยืมดูได้ไหมไม่ได้โจเจี้ยนเยี่ปฏิเสธอย่างไรเยี่อใหทันที ลี่ชิงผิงไม่มีทางให้เขายืมเงินอีกแน่เมื่อก่อนยังไม่ให้ยืมนับประสาอะไรกับตอนนี้ยังจะเหลือศักดิ์ศรีบ้างไหมคุณจะเอาศักดิ์ศรีหรือจะเอาชีวิตลูกกันแน่หลิวเคอเ ค, อ, เคอถามย้ำด้วยอารมณ์รุนแรงนี่คือลูกที่ฉันคลอดให้คุณเป็นลูกของเราสองคนทํำไมคุณถึงเอาแต่ให้ฉันไปหาทางที่บ้านเดิมหรือจะให้ฉันสูบเลือดสูบเนื้อที่บ้านจนหมดตัวถึงจะพอใจน้องชายฉันก็ต้องแต่งงานเหมือนกันนะโจเจี้ยนเย่ยกำมัดแน่น โจจี้เย่ยถ้ารู้ว่าแต่งงานกับคุณแล้วชีวิตจะลําบากขนาดนี้ตอนนั้นฉันไม่มีทางแต่งด้วยแน่ตอนนี้ฉันเสียใจจนเส้นเนื้หมดแล้วในที่สุดหลิวเคอเคอก็สัมผัสดได้ถึงรสชาติของการไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้มันขมขื่นเกินไปคุณโจเจี้เย่ยถลึงตาใส่หลิวเคอเคอแต่เมื่อเห็นว่านางเพิ่งคลอดลูกและร่างกายยังอ่อนแอจึงไม่อยากจะถือสาหาความยังไงคุณก็ต้องไปหาทางมาหลิวเคอเคอเห็นท่าทางไร้น้ำยาของเขาแล้วหัวใจก็แตกสลายไม่มีชิ้นดี แต่เมื่อมองดูลูกชายในอ้อมอกนางก็ทําใจปล่อยให้เขาตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้จริงๆโจเจียนเย่รออีกหนึ่งวันเพื่อรวบรวมค่ารักษาพยาบาลฝ่ายหมอเองก็ไม่ได้อยู่เฉยทําการตรวจร่างกายลูกชายของเขาอย่างละเอียดและเป็นระบบมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการผ่าตัดทว่าผลการตรวจกลับออกมาไม่ค่อยน่าพึงพอใจนะักหากเป็นเด็กคนอื่นที่มีอาการเช่นนี้สามารถผ่าตัดได้ทันทีและการผ่าตัดจะช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แต่ลูกชายของโจเจียนเย่ทําไม่ได้ ร่างกายดูเหมือนจะมีภาวะอ่อนแอแต่กําเนิดซึ่งติดตัวมาตั้งแต่อยู่ในคันหากฝืนผ่าตัดไปเกรงว่าเด็กคนนี้คงทนไม่ไหวจะลงจากเตียงผ่าตัดไม่ได้แน่ทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการรักษาแบบประคับประคองไปหาแพทย์แผนจีนเพื่อปรับสมดุลร่างกายรอจนร่างกายแข็งแรงขึ้นพอสมควรแล้วค่อยทําการผ่าตัดโจวเจี้ยนเย่ฟังจบก็ถึงกับอึง้งคุณหมอไม่ได้บอกหรือครับว่าลูกชายผมจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนและจะรักษาแบ บ, บประคับประคองได้ยังไง ถ้าผ่าตัดตอนนี้เขาไม่มีทางรอดชีวิตออกมาจากห้องผ่าตัดแน่คุณเลือกเอาเองเถอะหมอเองก็จนปัญญาพวกเขาไม่อยากให้คนที่คนไหนมีปัญหาแต่เมื่อความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าสิ่งที่พวกเขาทําได้ก็น้อยเหลือเกินถ้ารักษาแบบประคับประคองบางทีอาจจะช่วยยืดอายุออกไปได้ในตัวเมืองเรามีแพทย์แผนจีนเก่งๆเดียวผมจะแนะนําให้หมอกล่าวต่อแต่เด็กตัวเล็กขนาดนี้คงกินยาจีนลาบากลองไปดูว่าแพทย์แผนจีนจะว่ายังไงครับ ไม่มีทางเลือกอื่นโจเจี้ยนเยี่ยทำได้เพียงเชื่อฟังหมอหมอว่าอย่างไรเขาก็ว่าตามนั้นโจเจี้ยนเยี่ยอุ้มลูกชายที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วันไปที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เพื่อตามหาศ า, ศาสตราจารย์เจียงท่านใดนั้นเขาก็นึกขึ้นได้ว่าหลี่หวันดูเหมือนจะเรียนอยู่ที่นี่พอความคิดนี้ผุดขึ้นมาศาสตราจารย์เจียงก็พาหลี่หวันกับนักศึกษาคนเดินเข้ามาในห้องทํางานพอดีผมรู้ว่าใครแนะนําคุณมาบอกอาการคร่าวๆของเด็กให้ผมฟังก่อนศาสตราจารย์เจียงเข้าประเด็นทันที เด็กเพิ่งคลอดได้สวันครับโจเจียนเ ย, ย่เล่าอาการคร่าวๆจนจบแต่สายตากลับจ้องเขม็งไปที่หลีหวานเสี่ยวหวานรู้จักกันเหรอศาสตราจารย์เจียงแปลกใจอ้อ น, นีลูกสาวผมครับลูกแท้ๆเลยหลีหวานมองเขาที่พยายามจะมานับญาที่นี่แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่โจเจียนเย่ยพูดเหวินโมกับศาสตราจารย์เจียงต่างก็พากันอึ้งไปตามๆกัน พ่อของหลีหวานไม่ใช่รองผู้บัญชาการกองพลในเขตทหารหรอกเหรอกลายเป็นคนนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่คนคนนี้ดูไม่มีสง่าราศีเท่ารองผู้บัญชาการกองพลคนนั้นเลยสักนิดเสี่ยวหวานงั้นนี่ก็น้องชายเธอหน่าสิศา ส, สตราจารย์เจียงถามอีกครั้งน้องชายต่างมารดาคะน้ำเสียงของหลีหวา น, นาราบเรียบศา ส, สตราจารย์ขยับเพิ่งคุยเรื่องอื่นเลยรีบตรวจโรคเถอคะ่ะอออ สัสจารย์เจียงเข้าใจแล้วที่แท้คนหนึ่งคือพ่อแท้แท้อีกคนคือพ่อเลี้ยงและรองผู้บัญชาการกองพลคนนั้นคือพ่อเลี้ยงสินะแต่เขาไม่ได้สนใจว่าครอบครัวของหลีหวานจะเป็นอย่างไรความสามารถของหลีหวานต่างหากคือสิ่งสําคัญที่สุดเด็กคนนี้มีภาวะตัวเหลืองทางพยาธิวิทยาและค่อนข้างรุนแรงด้วยเหวินโมเห็นว่ารูม่านตาของเด็กเป็นสีเหลืองและเหลืองจัดมากใช่ครับโจวเจี้ยนเย่ยพยักหน้า หมอบอกว่ายังผ่าตัดไม่ได้ลูกผมร่างกายอ่อนแอต้องให้แพทย์แผนจีนช่วยปรับสมดุลร่างกายสักพักก่อนถึงจะผ่าตัดได้ผมขอดูก่อนศาสตราจารย์เจียงตรวจชีพจรเสร็จแล้วก็ให้พวกเขาสองคนสลับกันตรวจชีพจรต่อโจเจียนเย่ยจ้องมองหลี่หวันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยก็เก่งขนาดนี้แล้วเหรอได้ยินว่าศาสตราจารย์เจียงท่านนี้มีชื่อเสียงมากในวงการแพทย์แผนจีนการที่หลี่หวันได้ติดตามเรียนรู้และได้รับความสำคัญจากศาสตราจารย์แสดงว่าความสามารถของลูกสาวคนนี้สูงมาก เสียหวานเธอว่ายังไงศาสตราจารย์เจียงเอ๋ยถามความเห็นของหลี่หวานเป็นคนแรกมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดออกมาได้โดยตรงจำเป็นต้องบำรุงร่างกายก่อนจริงๆข้ารอให้โตกว่านี้อีกหน่อยค่อยทำการผ่าตัดอาการนี้เกิดจากความบกพร่องแต่กําเนิดตั้งแต่อยู่ในคันปัจจัยต่างๆระหว่างตั้งครร้วนส่งผลให้เกิดอาการเช่นนี้ได้เกรงว่าคงต้องกินยาประคับประคองไปตลอดชีวิตหลี่หวานกล่าวต่อเด็กคนนี้คงจะเลี้ยงยากมากทีเดียว ศา ส, สตราจารย์เจียงพยักหน้าเห็นพ้องกับสิ่งที่นางพูดใช่แล้วเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่ต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างมากในการเลี้ยงดูแต่ยังต้องใช้เงินมหาศาลในการเลี้ยงดูอีกด้วย